จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบรมสารอบาสกอบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันพระหัสที่ย6สิหมิถุนายนพุทธศักราชสองพหาหเจป็นวันที่เป็นวันพระวันธรรมวาสวนณะาวันฝันธรรม วันพัฒนาจิตใจให้มีความสุขมีความเจริญเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะความเจริญความสุขของจิตใจเป็นความเจริญที่แท้จริงเป็นความสุขที่แท้จริงไม่เหมือนกับความสุขความเจริญทางร่างกายเป็นความเจริญปลอม เป็นความสุขปลอมเพราะจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปนั่นเองต่อให้พัฒนาทางร่างกายมากน้อยเพียงไรให้เป็นมหาเศรษฐีหมืนล้านแสนล้านให้เป็นนายกเป็นปธานาธิบดีเป็นมหาจากักรพรรดิก็หนีพ้นความแก่ความเจ็บตายไปไม่ได้ พอร่างกายแต่เจ็บตายไปความเป็นจั ก, กรพรรดิก็หมดไปความเป็นมาเศถียรก็หมดไปจึงเรียกว่าเป็นความเจริญปลอมเป็นความสุขปลอมเพราะเป็นความเจริญเป็นความสุขชั่วคราวไม่เหมือนกับความเจริญไม่เหมือนกับความสุขตามจิตใจที่เป็นความเจริญที่ยั่งยืน ที่ถาวรพอใจเป็นของยั่งยืนใจเป็นของไม่ตายนี่เองแต่พวกเราไม่มีความรู้ว่าเราเป็นใจเราเห็นเพียงแต่ร่างกายเราก็เลยหลงไปคิดว่าร่างกายเป็นของเราเป็นตัวเราเราก็เลยทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการพัฒนาทางร่างกาย โดยไม่มองเลยว่าร่างกายนี้มันจะอยู่ไม่ได้นานสักเท่าไหร่ส่วนสิ่งที่อยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหดไปเรามองไม่เห็นเพราะใจเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตานั่นเองเหมือนกับลมนี่เราไม่สามารถมองเห็นลมได้ด้วยตา ถ้าลมไม่พัดใบไม้ไม่พัดสิ่งของต่างๆเราจะไม่รู้ว่ามีลมแต่ตาเหล่านี้ไม่สามารถมองเห็นหลมได้ฉชนใดตาของเรานี้ก็ไม่สามารถมองเห็นใจของเราได้เพราะใจของเราไม่มีรูปไม่มีร่างใจของเรามีแต่ความรู้สึกนึกคิดแล้วก็ มีเป็นผู้ที่มาครอบของร่างกายนี้มาเป็นเจ้าของร่างกายนี้ mm. เพียงชั่วคราวพอร่างกายหมดสภาพไปใจก็ต้องไปต่อไปตามการกระทาของใจถ้าทาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็ไปสู่ความสุขความเจริญตามลำดับ จนถึงขั้นสูงสุดถ้าไม่ทำตามคำสอนของพพระพุทธเจ้าทำตามอารมณ์ก็จะไปตามอารมณ์ที่ทำไว้ถ้าอารมณ์ดีทำบุญก็ไปสูงถ้าอารมณ์ไม่ดีทำบาป ก, ก็ไปตา่าแล้วก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้น ไม่เหมือนกับการกระทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆให้อยู่ห่างไกลจากการเวียนว่ายตายเกิดมากขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะการเกิด น, นี้มันมีความแก่มีความเจ็บมีความตายตามมา มีการพัดพลาดจากกันตามมาเวลาเกิดความแก่เจ็บตายเกิดการพัดพลาดจากกันก็เป็นเวลาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเพราะเราไปหลงพัฒนากับสิ่งที่จะต้องมีการเสื่อมมีการหมดไปนั่นเองเราไม่มาพัฒนากับสิ่งที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไป ก็มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถเห็นใจของตนเองได้ท่านถึงจะเป็นผู้เรียกว่าผู้ตัดสู้ด้วยตนเองรู้จักใจของตนรู้ว่าใจนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกนี้เพราะความสุขความเจริญของใจนี้เป็นความสุขความเจริญที่แท้จริง แลกเหนือกว่าความสุขความเจริญของสิ่งทั้งหลายในโลกนี้นั่นเองเพระพระพุทธเจ้าจึงทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการเจริญความทางด้านจิตใจทุ่มเทกับการสร้างความสุขทางจิตใจจนได้พบความสุขที่สูงสุดได้พบกับการสิ้นสุด ข, ของการเวียนว่ายตายเกิด เพราะใจนี่แหละเป็นผู้ไปเวียนไหวตายเกิดไม่ใช่ร่างกายแต่ใดที่ใจยังมีความอยากอยู่ตามนั้นใจก็ยังจะต้องไปหาร่างกายอันใหม่อยู่เรื่อยๆเพราะจ้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมืออย่างพวกเรานี้พอได้ร่างกายมาเราก็ทาตามความอยากกันอยากดูอยากอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่น อยากสัมผัสกับสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายเป็นเหมือนคนติดยาเสพติดเวลาดายที่ไม่ได้เสพรูปเสียงกิ่นลดผดทะพะเวลานั้นก็จะมีอาการเศร้าส้อยหงอยเหงามีอาการว้าเหวมนุษย์เราจึงอยู่ตามลําพังกันไม่ได้ต้องอยู่เป็นคู่กันต้องอยู่กันในสังคมเพราะ ยังอยากจะทำอะไรร่วมกันเพื่อให้เกิดความสุขต่างๆขึ้นมานั่นเองแต่ทำไปได้มากน้อยเพียงไรในที่สุดก็ต้องจบเหมือนกับคำพูดที่ว่างานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุดฉันใดการมามีงานเลี้ยงในพบนิชาตินี้ก็ต้องมีวันสิ้นสุดต่อไป เราก็ต้องจากกับคนต่างๆไปตอนต้นก็จากกับคนที่แก่กับเราจากปู่ย่าตายายต่อมาก็บิดามารดาต่อมาก็ญาติสนิทมิตสหายต่อมาก็สามีภรรยาต่อมาก็บุตรทิดาพัดผ้าจากทรัพย์สินบาดเข้าของเงินทองพัดผ้าจากตาแหน่งต่างๆ เพนนี่คือธรรมชาติของร่างกายของโลกที่ร่างกายอาศัยอยู่ไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรที่ถาวรทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีวันสิ้นสุดหมดไปเวลาต้องจากกันก็เป็นเวลาเศร้าโศกเสียใจแล้วเวลาตายไปก็ไม่เข็ด าะยังมีความอยากอยู่ก็กลับมาหาร่างกายอันใหม่มาทุกข์ใหม่มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่มาร้องห่มร้องอ้าเศร้าโศกเสียใจกันใหม่ทำกันอย่างนี้มานับไม่ท่วนแล้วเป็นล้านล้านชาติแล้วแล้วก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่สอนให้มาพัฒนาจิตใจเพื่อใจจะได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดใจจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรความสุขที่ถาวรเกิดจากอะไรเกิดจากความสงบของใจความสงบของใจเกิดจากอะไรความสงบของใจก็เกิดจากการทำบุญทำทานเกิดจากการรักษาศี เกิดจากการปฏิบัติธรรมเกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราได้มาปฏิบัติกันเพื่อเราจะได้สร้างความสงบให้กับใจพอมีความสงบแล้วก็จะได้ความสุขที่แท้จริงได้รับความเจริญที่แท้จริงเพราะใจที่สงบนี้เป็นใจที่สูงส่ง เป็นใจของเทพเป็นใจของพรหมเป็นใจของพระอริยะเจ้าทั้งหลายใจที่วุ่นวายขุ่นมัวนี้เป็นใจของเดรัจฉานเป็นใจของเปรตของผีของนรกใจขุ่นมัวเพราะว่าไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแทนที่จะทำทานก็หวงทรัพย์สมบัติ แล้วก็โลภอยากได้ทรัพย์สมบัติเพิ่มมากขึ้นอย่างวันนี้เป็นวันทำทานก็ไม่ยอมทำทานกลับไปทำมาหากินหาเงินเพิ่มมากขึ้นไปนี่เป็นการสร้างความว้าวุ่นขุ่นมมัวให้กับใจแล้วถ้าไปหาเงินหาทองแบบไม่ถูกต้องคือไม่รักษาสี่งทำบาป ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกหกหลอกลวงเสพสุรายาเมาใจก็ยิ่งขุ่นมัวตายไปก็ต้องไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นผีบ้างไปตกนรกบ้างเพราะไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าสมัยนี้คนไทยเราลืมวันพระวันโกตแต่แล้ว ทั้งทั้ ง, ท, งที่เป็นชาวพุทธแท้ๆนับถือพระพุทธศาสนาแต่กลายเป็นชาวพุทธเพียงแต่ชื่อเหมือนกับคนที่ชื่อดีชื่อเจริญแต่ไปติดคุกติดตรางเพราะว่าดีแต่ชื่อเจริญแต่ชื่อแต่การกระทาไม่ดีไม่เจริญชาวพุทธของเราก็เหมือนกันชาวพุทธของเราลืมวันพระลืมวันโกนกัน ลืมเข้าวัดเข้าว่าเพื่อมาพัฒนาชีวิตจิตใจกันมัวแต่ไปหลงพัฒนาร่างยงสรเสริมมัวแต่ไปหลงพัฒนาร่างกายซึ่งไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีวันสิ้นสุดลงไปอันนี้คนที่มาวัดจึงเรียกว่าเป็นชาวพุทธแท้เพราะว่าปฏิบัติมีการกระทำตามหลัก คำสอนของพระพุทธเจา้าคนที่เรียกตัวเองว่าพุทธแต่ไม่ทำทานไม่รักษาศีลไม่ฟังเทศฟังธรรมไม่ปฏิบัติธรรมนี้ไม่เถือว่าเป็นชาวพุทธแล้วก็จะไม่ได้รับอนิสงส์ผลประโยชน์ที่ชาวพุทธควมจะได้รับก็คือการเจริญในภพชาติต่างๆนับตั้งแต่ภพของ เทวดาเท พ, พบของพรมพบของพระอริยเจ้าพบของพระอรหันต์พระพุทธเจ้าทั้งหลายต้องเกิดจากการมาวัดพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติวันพระไว้เพราะรู้ว่าถ้าไม่บัญญัติแล้วก็จะไม่มีการเข้าวัดเข้าว่ากันเพราะจะถูกอำนาจของความหลงความโลภความอยากได้ต่างๆ หลอกให้ไปหาสิ่งต่างๆที่ไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจนอกจากไม่เป็นประโยชน์แล้วยังเป็นโทษด้วยถ้าไปหาด้วยการกระทำบาปพระพุทธเจ้าจึงต้องบัญญัติวันพระขึ้นมาทุก8วันทุกเจวันต้องเข้าวัดกัหนึ่งครั้งเพื่ออย่างน้อยจะได้มารักษาจิตใจ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้พัฒนาให้สูงมากก็อย่างน้อยยับยั้งการเสือ่อมไม่ให้เสื่อมลงไปเช่นวันนี้เรามารักษาศีลห้ากันถ้าเรารักษาศีลห้าได้เราก็จะรักษาความเป็นมนุษย์ได้ถ้าเราทําบุญให้ทานด้วยรักษาศีลห้าด้วยเราก็จะรักษาความเป็นเทวดาของเราได้ถ้าเรา นั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบได้เราก็จะรักษาใจพัฒนาใจให้เป็นพร่งขึ้นมาแล้วถ้าเราปร่งได้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวเป็นกองทุกข์ไม่ใช่เป็นกองสุขไม่ใช่สมบัติที่แท้จริงของเราก็ตัดความอยากต่างๆไม่ต้องการอะไรจาก สิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดติกต่อไปเป็นพระ อ, อริยเจ้าขั้นต่างๆเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระ อ, อนาคามีพระ อ, อรหันต์พระพุทธเจ้าต่างกำลังที่สามารถตัดความอยากต่างๆไปได้ตัดได้มากก็จะขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าตัดได้หมดก็ได้กายเป็นพระอาหารหันต์กายเป็นพระพุทธเจา้าไปไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการเชื่อฟังคําสอนของพระพุทธเจา้าปฏิบัติตามคําสอนด้วยการเข้าวัดทุกวันพระแต่การเข้าวัดทุกวันพระเพียงวันดีวเดียวนี้ ยังไม่พอเพียงที่จะสร้างความเจริญความสุขให้สมบูรณ์ได้ถ้าต้องการความเจริญและความสุขที่สมบูรณ์ก็จะต้องเข้าวัดทุกวันอย่างพวกที่มาบวชกันนี้ถือว่าเป็นพวกที่พยายามที่จะมาสร้างความสุขความเจริญทางจิตใจให้สมบูรณ์เพราะถ้าทําเพียงวันเดียวนี้ ได้เพียงหนึ่งใน7เท่านั้นเองไม่ไม่ได้มากนักเพราะว่าปริมาณที่เราลงทุนไปมันน้อยเราลงทุนไปเพียง10ผลมันก็จะได้เพียง 10% ถ้าเราลงทุน5 0าผลก็จะได้5 0าถ้าเร า, เราลงทุนร้อยผลก็จะต้องเป็นร้อ แต่ท่านให้เราเริ่มต้นที่วันพระไปก่อนเพื่อให้เรามาชิมลาง ม, มาทดสอบดูผลของการปฏิบัติว่าเป็นอย่างไรพอเราได้สัมผัสกับความสงบความสุขใจเราก็จะได้มีศรัทธาที่อยากจะสร้างให้มากขึ้นเราก็จะเริ่มเข้ามาวัดบ่อยขึ้น บางท่านก็จากวันหนึ่งก็มาสองวันบางท่านก็สวันบางท่านก็มาเจวันเพราะเห็นานิสงของการทําทานใส่บาตเห็นานิสงของการรักษาศีลเห็นานิสงของการปฏิบัติธรรมเห็นานิสงของการฟังเทศฟังธรรมเพราะทำให้ใจมีความสงบมากขึ้น มีความสุขมากขึ้นทำทานก็จะเพิ่มมากขึ้นไปเคยทำทานร้อยละสิก็เพิ่มเป็นร้อยละยี่สิบร้อยละ30ิทำไปเพิ่มไปเรื่อยๆจนทำเต็มร้อยคือมีเท่าไหร่ก็ยกให้คนอื่นหมดเพราะเห็นโทษของเงินทองไม่ได้เห็นว่ามันเป็นคุณประโยชน์ต่อจิตใจไม่สามารถที่จะ พัฒนาจิตใจได้ถ้ายังติดอยู่กับการหาเงินหาทองติดอยู่กับการใช้เงินใช้ทองเพราะจะไม่มีเวลามาวัดนั่นเองไม่มีเวลาที่จะมารักษาศีลให้เพิ่มมากขึ้นจากศีลห้าให้เพิ่มเป็นศีลแปดจากศีลแปดเพิ่มเป็นศีลสิศีลสองร้อยีสิเจ็ดศีลสามร้อยกว่า นี่คือศีลที่จะต้องได้รับการพัฒนาถ้าอยากจะได้ผลเต็มร้อยทานก็ต้องทำเต็มร้อยมีสมบัติเข้าของเงินทองก็ยกให้คนอื่นไปแล้วก็ออกบวชกันนักบวชนี้ไม่เอาเข้าของเงินทองติดตัวมาเพราะไม่จำเป็นจะต้องใช้สิ่งที่นักบวชต้องใช้ก็คือความภาคเพลี่ยนความเข้มแข็งความอดทน ที่จะต่อสู้กับความทุกข์ยากลาบากต่างๆที่จะต่อสู้กับกิเลสทันหาความโลภความยาวความโกรธความหลงต่างๆที่จะมาคอยช่วยลากให้กลับไปหาความสุขทางร่างกายกลกับไปหาความสุข <c oughs> ทางลาบยศสรรเสริญทางพุทธทางตาหูจมูกลิ้นกายที่จะ มัดให้จิตใจจะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดซ้ำแล้วซ้ำองอย่างไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นผู้ปฏิบัติต้องมีความพร้อมที่จะทุ่มเทชีวิตและจิตใจให้กับการต่อสู้กิเลสตันหาต่อสู้กับความอยากต่างๆที่เป็นตัวชดร่างให้ไปสู่กองทุกข์ ไปสู่กองเวรไหว้าตายเกิดนี่คือขั้นต้นขั้นที่หนึ่งคือการสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแล้วก็ไปบวชตามสภาพของตนบางท่านก็บวชแบบถือศีลแปดบางท่านก็บวชแบบถือศีลสิเช่นสัมมณีบางท่านก็บวชถือศีล2อ 10, มมง ก, อ 7, ก็เป็นพระภิกษุ งท่านก็บวชถือศีลสามร้อยกว่า mm. ก็เป็นภิกษุณี <Yeah. S 1> เพื่อที่จะได้ควบคุมการกระทําไม่ให้กระทําไปตามความอยากศีล mm. นี้เป็นเหมือนรั้วกัน้นไม่ให้ความอยากชุดลากให้ไปกระทําบาปพราอเมื่อกระทําบาปแล้วก็จะต้องมีความทุกข์ความวุ่นวายใจตามมาตายไปก็ต้องไปติดคุกติดตารางในอบาย ยากต่อการที่จะเล็ดลอดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้ารักษาศีลได้ก็จะไม่ต้องไปอบายเวลาตายไปถ้ายังไม่จบยังไม่สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อที่จะได้มาทำทานมารักษาศีลมาปฏิบัติทําต่อไป บุญเลิบงานคือความเจริญความสุขที่ได้สร้างไว้ก็ไม่ไม่เสื่อมไปจิตใจก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้พัฒนาจิตใจให้ถึงขั้นของพระอาหารหันต์ได้นี่คือสิ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้ ก็สินงต่างๆในโลกนี้เป็นของชั่วคราวทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเป็นของชั่วคราวญาติสนิทมิตรสหายสามีภรรยาบุตรธิดาเป็นของชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องหมดไปร่างกายของเราก็เป็นของชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องกลายเป็นดินน้ำลงฝ่ายไปมีใจของเราเท่านั้นที่ไม่มีวันหมดแต่ใจของเราไม่ได้รับ การพัฒนานอกจากการไม่ได้รับการพัฒนาแล้วยังได้รับการฉุดลากให้เสื่อมลงไปด้วยการกระทําบาปต่างๆเพราะไม่รู้ว่ามีใจที่ไม่ตายไปกับร่างกายไม่รู้ว่ามีใจที่จะต้องไปรับผลบุญผลบาปของการกระทําของของตนเองตอนนี้พวกเราโชคดี มีคนที่รู้จริงเห็นจริงมาสั่งมาสอนเราให้เราทิ้งทุกอย่างอย่าไปเสียดายเพราะมันไม่ใช่เป็นของจริงมันเป็นเหมือนฟองนง้ำเดี๋ยวมันก็แตกมันก็หายไปคนตายไปแล้วไปหาดูรี่ว่าอยู่ที่ไหนร่างกายของเขาอยู่ตรงไหนสามารถเอากลับคืนมาได้หรือเปล่ากลับคืนมาไม่ได้ใจของเขาก็ต้องไปตามบุญตามกรรมของเขา เราอย่าไปหลงกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ควรจะปล่อยวางควรจะทิ้งมันไปให้หมดแล้วเอาเวลามาทุ่มเทกับการสร้างความสุขความเจริญทางจิตใจด้วยการทำทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมอย่างต่อเนื่องทำจากน้อยไปหามากตอนนี้เราทำได้เท่าไหร่ก็ทำไปก่อน แล้วก็เพิ่มไปทีละส0 5% เซ์เปซน์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราต่อไปจะสามารถทำได้เต็มร้อยเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ทำแบบนี้มาก่อนพระอาลหันตัสาวกทั้งหลายก็ทำแบบนี้มาก่อนก่อนที่ท่านจะทำได้เต็มร้อยท่านก็ต้องทำจากน้อยไปหามากเหมือนกับที่พวกเราทำกันอยู่ ถ้าเราเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เต็มร้อยเองพอเต็มร้อยผลก็เต็มร้อยหลังนั้นขอให้พวกเราจงเชื่อพระพุทธเจา้าจงมีความแน่วแน่ต่อคาสอนของพระพุทธเจา้าอย่าปล่อยให้ความหลงมาหลอกล่อให้เรากลับไปสร้างสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของที่ถาวรให้เรามาสร้างสิ่งที่ถาวร คือจิตใจของเราจะดีกว่าแล้วเราจะไม่ผิดหวังต่อไปข้างหน้าเราจะได้เป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้ากันอย่างแน่นอนเพราะการเป็นพระพุทธเจ้าการเป็นพระอรหันต์ก็เกิดจากการทําทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมนี้เองไม่ได้เกิดจากอะไรทั้งนั้นการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จึงขอยุดติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนใจและบุญกุศลที่ท่านได้มาบงเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเองเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเถอด